มีอะไรเป็นเครื่องสำคัญมากก็คือกรรมและผลของกรรมใช่ไหมกฎหมายจีนันล่านก็ไม่เท่ากรรมและผลของกรรมใช่ไหมจีนันล่านมาตราก็ไม่เท่าไม่เท่ากรรมและผลของกรรมใช่ไหมวิดพี้วก็วิดีได้แต่ผลของกรรมวิดี้ไม่ได้ใช่ไหม ผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้เชื่ออริยสัจจะทำนั่นเองถ้าเชื่อกรรมและผลของกรรมนี่ก็จะเป็นเหตุให้ละกรรมชั่วประพฤติกรรมดีก็จะเป็นเหตุให้ถึงเหนือกรรมและผลของกรรมคือพระริยาบุคคลชั้นที่สุดท้าย ถ้าไม่เชื่อก ร, รมแล้วผลของกรรมแล้วมันก็ปฏิบัติไม่ถูกมันก็ไม่เป็นทางเข้าสู่พระานใช่ไหม <c oughs> เราจะไปหาสันติภาพที่ไหนสันติภาพก็คือพระพุทธศาสนาเองจะไปคว้างคอดผ่านมะมว่วงมันก็ไม่ได้ทำท่าทำทางหาสันติภาพชาวโลก แต่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธศาสนะมันก็ไปไม่รอดใช่ไหมพระพุทธศาสนาเป็นนุษยสมัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพานสมบัติเป็นลําดับแล้วอย่ามัวมือเลยอย่ามัวมือไปทางอื่นเลยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติพรหมสมบัตินิพานสมบัติคืออะไรคือคําสอนพระพุทธศาสนา เปลยเปลเลี ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยเลยเียเลยใช่ไหมเน่ยแล้วนั่นก็วดดีเลยอ้าทถ้าชาวโรกไม่เชืนอฮาบาลิบูลสงครามก็ไม่มีใช่ไหมตำรวจก็ไม่มีสืดสวนก็ไม่มีใช่ไหมคดีดำคดีแรงในรวงในศาลก็ไม่มี ขายขอ ง, ของอก็ไม่ต้องเฝ้าดอกไม่ต้องลําบากโกเอิดโรคอาบโรคอะไรก็ไม่ต้องมีใช่ไหมยล <c oughs> ักกี้รักพ้นรักไทยรักถอนรักแจ๊กรักจีนรักราวรักไทยกี้พ้นก็ไม่มีใช่ไหมนั่นประกันที่บานค่ากันตายทุกอย่างยากก็ไม่มีเครื่องฆ่าก็ไม่มี เครื่องอาวุธก็ไม่มีใช่ไหมเพราะไม่มีใครค่าจะมีไว้ทําไมนั่นมีแต่เครื่องก่อสร้างใช่ไหมนั่นนอกจากจะเอาเครื่องก่อสร้างไปฆ่ากันแต่มันไม่อยากฆ่ามันไม่เช่ยายค่าแล้วไม่ใช่ยายค่าทําไมเพราะมันมีศีลห้ามันรักชีวิตมันมันก็รักชีวิตคนอื่นใช่ไหมมันรักของมันมันก็รักของคนอื่นอืม อันนี้มันตรงกันข้ามเสียแล้ว <c oughs> ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นใช่ไหมยอือพระพุทธศาสน า, ษาโด่งดังไปทางไม่มีเวนิไพชาวโลกโด่งดังไปทางสนองเวนสนองไพเสียงปงวงป้ว ง, ง, ง, ง, งป้างคือเสียงอะไรก็คือเสียงตายคือเสียงเวนเสียงไพใช่ไหมใส่ชื่อเสียงปืนใหม่ซะ เสียงเวัยไผ่มย่นั้นเนาะคมดาบก็ดีก็บอกว่าคมเวัยไผ่มอย่างนั้นนะตล้วถ้าเกิดเกิดแล้าตายมากกว่าไมษีไมษาย่อมมหาสมุทรหรือร่ายกฎมหาสมุทรเราก็จะไม่หนีจากพระพุทธศาสนาแผ่นดินนะาสองแสนสี่มืนโยธ เขาเอาลูกระเบิดทำมาลายแต่แต่คิดใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีใครทำาลยายคือตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าไม่ที่แม่ใช่เข้ามหาสมุทรร้อยโกรธมหาสมุทรเราขา้าไม่หนีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีเกสเต็มพวงก็ตามเตือนไม่ยอมหนีเลยเลือดทุกหยดบูชาเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อืยอมตายไม่เสีาายาจ ชีวะเพื่อรักษาอิสระพระพุทธศาสนาสมานสามัคคีให้อยู่จะสู้ศึกสัตรูคือกิเลสในคันธนนานทั้งหลายได้ควรคิดจำนงจงใจยอมเป็นไทยไม่ยอมเป็นข้าของกิเลสว่าดินฟ้า ไทยคืออะไรคือไม่ยอมเป็นค่าของกิเลสเป็นไทยกิเลสงอยกิเลสขึ้นฉี่บนหัวใจใส่หั่นควาา ง, งั้นกาลังหั้นไปตามมันมาหลายชาติหลายภพแล้วทีนี้ก็ต้องต่อสู้มันสีกู้ชาติกู้ชาติคืออะไร คืออรยะช า, ออาท่านพระอังคริมาณโจรท่านกูชาติแล้วอเ น, นชาตปิยชาตัวนามพิชานามินั้นจิตจะไปานางชีวิตาโวโรเตาแต่นันสเสตียในสดทิเตห์มทุสดทิศกับพะั์แต่เราเป็นพระ อ, อริยมานี้ไม่ใช่ได้อยจะฆ่าสัตว์เลยเพราะให้คันของนอ้อง รงคอดสบายดีถืดพระอังคุริมานจจนแล้วก็ไปรังคุริมานจูนเหมือนกันเพราะมันปล้นมันปล้นความดีของตนมาหลายชาติหลายพอพอพอบแล้วทีนี่ก็ อ, อมความดีดีๆไม่ต้องปล้นป้นความชั่วของตน อ, อปล้นความดีของตน มารรยชาติไร้ภพที่ได้มาเกิดเกดเย์เก็บตายในวัฏจักรงสารที่นี่ต่อไปจะไม่พ้นความดีของตนเลยจะส่งเสริมความดีจะเป็นผู้ใจถึงในทางทรมดีตามสติกำลังของตนจะไม่เป็นผู้ใจถึงในทางรมชั่วจะเรียนวิชาเค็ดลับในวัฏจักรงสารใช่ไหมชนะก็ชนะกิเลสของตน แพ้ก็แพ้กิเลสของตนชนะอื่นไม่มีในโลกแต่ชาวโลกเอามาใช้กันก็มีแต่เวรสนองเวรภัยสนองภัยใช่ไห ม, มทะเลน้ำตาทะเลเวรทะเลภัยก็อยู่ในวัฏรสงสารเพราะเหตุใดเพราะเหตุประมาณคําสอนของพระบรมศาสดาใช่ไมืมชาวโลก นั่งกคตมย้ยกตหมูกคตพักกคโรพกไม่มองดูคำสอนพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดใช่ไหมํมมำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทากติรักใคร่รักที่อื่น ไม่รักใครพระพุทธศาสนาเรียกว่าชั้นทาคติแล้วเอียงเพราะความไม่ชอบเรียกโทสาคตินั่งเกียรพระพุทธศาสนาไปเลื่อมใสอันอื่นเรียกโทสาคติแล้วเอียงเพระเาะข่าวเรียกโมหาคติคดพระพุทธศาสนาไม่แตกอืม ก็พระโม่พระเขาเห็นข้อดีว่าเป็นของชั่วเขาเรียกว่าโมหะกติแล้วเอียงพราะกลัวเรียกพยาคติคือยังไงคือกลัวคนอื่นที่เขารังเกียจพระพุทธศาสนาไม่กล้าเทิดทูนพระพุทธศาสนาแล้วเอียงพราะกลัวเกรงจะเป็นโทษใช่ไหมมันเข้อบาจริงๆใช่ไหม เ, เราเนี่เองเป็นว่าไม่ใช่คนอื่น ใช่ไหมแล้วไม่กล่าวตู่ว่าคนอื่นเป็นบ้าแล้วกล่าวตู่เราจะผิดอะไรตู่ไหมพระพุทธศาสนาเป็นวิชารักษาบ้าโรงพยาบาลศีญญาใหญ่โตโหทานพระสวรามบัน หายบ้าเป็นเอกเทศแล้วใช่ไหมพระสักคาคารีหายไปอีกแล้วเป็นระดับเป็นลํำดับพระอนาคารีหายบ้ารอบบ้าโกรธใช่ไหมพระทหารหายทั้งบ้ารอบหายทั้งบ้าโกรธหายทั้งบ้าหลงเลยก็อยู่เหนือรอบโกรธหลงไปแล้ว น, น, น, น, น, นเปิดดูเวลาไหน ก็ใหม่ๆอยู่คำสอนพระพุทธศาสนาไม่เป็นของเก่าเลยเอสัทโมชนันโธถึงแมจะเป็นของเก่าฟาตามถ้าเป็นอาหารเปิดดูเวลาไหนก็อุ่นๆหรือไม่บูดไม่ราเลย <c oughs> ถ้าเป็นนวนทาก็ไม่มีโตกไม่มีสะพักและไม่มีคลื่น ถ้าเป็นปัญญาเปิดดูเวลาไหนก็มีแสงสว่างสองทะลุโลกเลยเห็นอั น, นิจจังขณะชิดเดียวสองทะลุโลกแล้วใช่ไหมสองทะลุภูเขาอีกด้วยเพราะภูเขาจะแตกกระเจิงเป็นใช่ไหมนั่นเห็นทุกขณะชิดหนึ่งก็สองทะลุโลกแล้วก็โลกจะมาละกองทุก ชาติพิทุกขาคําเดียวก็สองสรุโรกแล้วใช่ไหมคําว่าเกิดเนะี่เป็นทุกแท่งนั้นเป็นอินเป็นพรมเป็นพยอมพก า, าญจะจ้โรคกราลทั้งสีไม่เป็นทุกหรอกไม่เป็นทุกหรอกเพราะาเรามาศาสนาไม่ยืนยันไว้ในคำภีร์อะไรเลยชาติวิทิพิทุกขากรตูมเดียวเลย <c oughs> ถูกไหยนั่นชาติพิทุขากระตูมอีกก็ถูกมดชั้งใตเแล้วก็ถ้าแนะนําพิทุกขากรตูมอีกอื ถูกมัดทั้งใจโลกธาตุเลยนั่นลูกระเบิดปรม า, มานูเมื่อนำฟีทุกขงังความตายเป็นทุกตูมเลยในใจโลกธาตุนมันตายเป็นนั่นสิ่งที่มีวิญญาณของสิงทั้งไางใจโลกธาตุย่อบตายเป็นทางนั้นย่อบเกิดแก่เก็บตายเป็นทางนั้นตูมแต่ละตูมและตูมนี่ถูกเลยมัดหลอกเลย คนตาบอดอาจแย่เห็นคนหูหนวกอาจได้ยินคนตาบอดหูหนวกมันก็มีแก่เก็บตายเหมือนกันใช่ไหมถึงมันจะฟังหรือไม่ฟังก็ตามเมื่อก็ตัหมดจาตัมหาราชิกาเท ว, วสัตว์สมมนุตสาเวสูงจาตัมหาราชิกานางเทวานางสัตวทางสุตตวาสัตวทางอันว่าเสียงสุตตวาก็ส่งขึ้นข้างบน ถูกมดจตุมหาราชิกะตาวติงสายามาดูสินิ ม, มาณปตีปรณิมิต ว, วตัตสวัตตีสวรหกขั้นก็ถูกมดเขาบอกรามาสตาตูมเดียวเทนะ่านั้นใต้ใต้โลกธาตุอีกต่ำกว่ามนุษย์ลงไปอีกก็ถูกมดัดตลอดถึงสัตว์ที่สานสัตร์นลกเปิดอสุรกายถูกมดีด ตูมเดียวชาติพิทุขาผมไม่ศัทธาผมไม่รั่งิตาหมาผมมาปฏิตตาภาอัปปมานาภาอาวัตตาปฏิตาสุภาอัปปมานาสุภาสุภิกิะนาคะอสัญญะตตาเวหพระราอวหาอัตตาสุตตาสุตติติอการิทักาฟากรั้นไปจึงเป็นพระเนพานไอพ่อไอแม่เอ๋นอกัานถูกชาติพิทุขาหมดนะตูมเลยงน เราจะไปพูดอะไรมากแค่เท่านี joy, ้ก็พอแล้วใช่ไหมจำเป็นจาเป็นกว่ายกธงขาวต่อพระบรมศาสดาทานนั้นชาวโลกอยากอวดดีเลยอีพ่อไอแม่เอ๋ยเธอตั้งกฎหมายขึ้นตั้งร้านมันก็มาอยู่เธอแม่ลดตาแหน่งมันจะกิเลสมันจะอยู่ยังไงใช่ไหมทำไมเธอจึงอาบน้ำเธอทั้งทั้งไซรโปกธานมนุษย์ ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะร่างกายมันปกปปกแต่จิตใจของพวกเธอปฏิเสธทําไมมันมีกิเลสหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้จึงได้รักษาชินธรรมใช่ไหมแต่ชินธรรมของพวกเธอไม่เอ่ยเ อ, อพวกเธอจะตั้งกฎหมายว่ากูเข้าข้างตัวกูบ้างแบ่งให้กูกินว่ามึงกินแล้วให้กูกินอีกแบ่งกันกินคนละสีป่ปีห้าปีบ้างมันก็บ้างอยู่เนี่ยมันก็ บ้างน้ำตาบ้างเลือดชาวโลกมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเหตุนั้นจึงยอมเคารพพระพุทธศาสนาชัสบายใจเคารพพระพุทธศาสนาไม่สงสัยแล้วได้อาจารย์ดีแล้วถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็นกบเลือกนาย กบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงใหญ่อยู่มากบฝูงนั้นอยากจะหาหนายพ่องกันตูจึงไปขอร้องเก่เทวดาเทวดาเห็นความโง่เขลาของกบก็ทิ้งขอนไม้ใหญ่ลงมาเสียงดังสะท้านทำให้กบประื่นตกใจมีกบกล้าตัวหนึ่งไหวหน้า ม, มองมาเห็นขอนไม้ก็ดีใจ แล้วขึ้นไปงอยอยู่กบทั้งหลายก็ไปงอยด้วยงอยไปงอยมางอยไปงอยมาก็เห็นว่าข อ, อนไม้นี่ไม่ได้สั่งสอนอะไรตนเลยแล้วก็ทิ้งข อ, อนไม้แล้วไปขอกับเทวดาอีกเทวดาก็ปล่อยนกกระสาลงมานกกระสาเห็นความโง่เขาแล้วก็ปล่อยนกกระสาลงมานกกระสาก็คือนกเขียนภาษาภาษาอีสาน จับกบกินวันละตัวสองตัวก็หมดกบฝูงนั้นใช่ไหมั่นนั่นอันนี้ก็ชั้นใดอันเดียวกันไก่แจ้ตัวหนึ่งขณะคุยเขียหาอาหาร ไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีคำว่าก็พูดเปรย์เปรยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าข้าเช่นนี้เขาจะเก็บเจ้าไปฝังไว้ในห้องแหวนจำเดิมนี่ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราทุกแต่เข้าสุกข้าวสารมาเรียบเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเขียไปในแปลงอื่นๆมาพบพระพุทธศาสนาะแล้วก็ไม่เอาก็คุยเคียไปในแปลงอื่นถูไหม พูดตามเป็นจริงยืนยันความจริงมันไม่เป็นอุปท า, านยืนยันความไม่จริงจึงเป็นอุปท า, านพระโสะดาบันยืนยันความเป็นจริงถ้ายังไม่ถึงพระสสดาบันแล้วก็ไม่เปิดประตูพระเนพาลถ้าถึงพระสสดาบันแล้วก็เป็นดอกบัวตูม ถ้ายังไม่ถึงพระศดาบานก็เป็นดอกบัวเสมอน้าและใต้น้ำดวกดอกบัวสีเหล่ามีไหมทุกวันนี้มันก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาดอกบานก็บานเต็มภูมิล้วตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมินะัมีอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยบางท่านว่า พระพุทธศาสนาหมดแล้วก็หมดแต่เราคนอื่นมันไม่หมดพวกเขาถืออืมถูกไหมพวกเขาปฏิบัติอ่าคนนั้นจะทําศาสนาให้เสื่อมคนนี้จะทําศาสนาให้เสื่อมใครจะทําให้าศาสนาเสื่อมได้ไม่มีเลยเอา้าหมดโลกเนี่ยม้วนน้ําลายขึ้นฟ้าดูดูมันจะถึงไหมถ้ามันไม่ถึงมันจะตกไปไหนก็ตกใส่หน้าของใครของมันใช่ไม้มนั่น คนนั้นทําผิดอยู่ที่นั้นคนนี้ทําผิดอยู่ที่นี่ศาสนาเสื่อมเลยวถ้าศาสนาเสืเอ่อมอยังไงเอ้าใครลงลุยหลุมฉาดเพลงิงมันก็ไม่แต่คนนั้นคนเขาไม่ลุยจะไปกล่าวตู่ว่าเขาจะรอนไหมนั่น <c oughs> มาจริงๆถูกไห <c oughs> เอ้าพระพุทธศาสนาถ้าผู้ทาผิดไม่ผิดจริง พระพุทธศาสนาก็ไม่บริบูรณ์ใช่ไหมเออนั่นที่พระพุทธศาสนาบริบูรณ์อยู่นี่ก็ผู้เป็นปาราชิตก็เป็นปาราชิตจริงใช่ไหมนั่นนั่นนะผลของกรรมตามสนองอยู่นั่นแ่ะผลของกรรมมันมีอยู่ถ้าผลของกรรมไม่มีก็ิงว่าศาสนาเสื่อมใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนอ่นน่พูดง่ายเพราอธิบายพูดหลายก็ เป็นภยัยทีเหานี้เป็นหน้าที่จับประหยัดหมู่มากระวงังปากอยู่คนเดียวระวังจิตถูกไหมคนหมู่มากไม่รู้จะไปทางไหนไม่ทราบนะเนี่ยนะแล้วก็พูดตามเป็นจริ ง, าารงก็พระบารมีก็มาศาสราก็พูดตามเป็นจริง คำสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสนาแทนเราชาวโลกเอ๋ยพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันพวกท่านทั้งหลายจะไปสงสัยเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขัดแย้งกันในเรื่องธรรมะหนักแต่พวกเรามูดึงไปมือนึงมือดึงมาเนี่ยธรรมะของพระพุทธศาสนาะคนชันต่ำเอาไปใช้ก็ได้คนชั้นสูงเอาไปใช้ก็ได้ ไม่ลำเอียงเข้ากับคนชั้นไหนเลยเอา้าวไฟที่มันไหม้อยู่เนี่ยมันลำเอียงกับคนชั้นสูงชั้นต่ำไหมใครเว้นมันก็ไม่มันก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเอ่อใครลงลุยมันก็ร้อนตามส่วนควรค่าของเหตุที่ลงน้อยและลงมามันเลือกชั้นวรรณะไหมนั่นความดีก็เหมือนกันเอา้าข้าพุทธเจ้าสุภพุทธะลงนรกอ่าเอาพระพุทธเจ้าลงไปด้วยไหม อาพาพิสูสงทั้งหลายลงไปด้วยไหมก็ลงแต่ท่านคนเดียวใช่ไหมนั่นถ้ามานพลงนรกแผ่น ด, ดินแผ่น ด, ดินโสมแล้วเอาองค์อื่นไปสูบด้วยไหมไม่นั้นถ้ามานพอารวยักษ์อะกร นางกิ๊เจเอีอ้าวนางกิกลงนรกลงทั้งเป็นคันดินสูมอยู่ในประเทศอินเดียเขาก็ไปดูกันอยู่เนี่ยมันยังเป็นมันมันยังเป็นหลุมอยู่นั่นนะ่ะนั่นนันั่นเห็นเป็นพยานอยู่นั่นนะ่ะอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือนะ่ออพระาะผู้แทนบอกว่าหาเสียงซะก่อนนอย่นั้นอ้าวพระไตรปิฎกไม่ใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้ลูกลูก ก็ลูกลูกที่นเดี๋ยวลูกปู่เป็นคนลาศสมัยไม่รู้จักไม่ได้เรียนอะไรจงอย่ามาถือสาลูกปู่เนอะลูกปู่เป็นผีว่าเอลูกปู่จะคอเรียนถามพ่อโลกลูกว่าพ่อโลกเป็นคนเรียนเก่งถือเป็น ล, ลูกลกเป็นคนตนเองมันจึงไม่ถือสากันลูกปู่จะคอเรียนถามว่า ข้รารบูกทำไมจึงไม่เอากฎหมายไว้จักคำบ้างพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประคำชาติของประเทศไทยมาแต่ด็กดำบันทําไมไม่ไม่เขียนไปสักข้อบ้างคืบเดียวถ้าท่านทําไมไม่เขียนพราวโรบลูกขี้ขราบใช่ราะกฎหมายประเทศของตนแท้ๆไม่ใช่กฎหมายโลกก็ขี้ขราด เกรงจะกระทบกระเทือนพูดใช่ไหมเรื่อมใสใช่ไหมหรือพราพุทธโลกจะวิดเบือนในอนาคตอืไม่หรอกครับกําลังหาเสียงจะไปหาทําไมลูกเอ๋ยพระไตรปิฎกไม่ใช่เสียงหรืออืคําสอนพระไตรปิฎกไม่ใช่เสียงหรือพระพุทธโูกฝังตัวใต้ดินคุดได้ลึกขนาดเอโก็มีหนึ่งเม็ดก็ห้าสิบเซนก็มีโบสโบราณสารพัด กรุงธวาราวดีสิอยุธ ย, ย, ยาก็ดีหรือก่อนนั่นก็ดีกรุงเทพฯพระนครมหาอณามรัตนโกสินทร์มหาอินตารายุธยาก็ดีก็มีพระพิชุสุสงไปจำชาติไปจันพบอยู่ทุกยุคทุกยุคทุกสมัย องสมเด็จพระบรมมหาราชาทุกๆพระองค์ก็ถือพระพุทธศาสนามาอยู่แต่ใดๆแล้วอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือท่านพ ร, ระนมไม่ใช่เสียงหรือท่านครปฐมไม่ใช่เสียงหรือพระไตรปิฎกร้อยเล่มก็ไม่ใช่เสียงหรือห้าห้าชิ้นเล่มสีชิ้น้าเล่มก็ไม่ใช่เสียงหรือองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ไม่ใช่เสียงหรือ คณะสงในประเทศไทยไม take, ่ใช่เสียงหรือเราเป็นเราเป็นแมลงผู้แมลงพึ่งจะไปหาเสียงกับแมลงวันมันจะให้ไหมนะพวกอย่างนี้อ้วละพกลูกไปตั้งกฎหมายไว่มาให้พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมือง จะไปสอนผีตัวไหนลูกเ อ, อ๋ยเอา้าหน้าที่ของฆราวาสทากับพระทำยังไงมันมีในพระไตรปิฎกถ้าอยถ้าไม่เชื่อก็เอาไปเผาไฟทิ้งซะอย่าพากับไปนอนเฝ้าอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่ทุกหนทุกแก่ทุกเล่มในนักธรรมตรีก็มีแม่ว่าแต่นักธรรมโทธรรมเอก ก็เอาออกมาจากพระไตพี่หลกนั่นเองพระมหาสมณเจ้าออกออกมาหน้าที่ของคารวะจะทะะํากัพรหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวัีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่เรื่องความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยอาวิชชาทานอยากขี้เหนียวมากเนี่ย น, น่นแ่นแเอาหน้าที่ของพระจะทำแก่ญาติโยมทํำยังไงมันมีในพระไตรปิฎกทุกวันเนี้ก็สอบกันนะคัมตีร์โทรเอกอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เอาไปฝึาไฟติ้งซะเราพูดอย่างนี้เรามาเรียนมาสอบกันเลยเราพูดอย่าง น, นี้เอ้าหน้าที่ของพระของเนนทํากับครราวาหนึ่ง ห้ม่กระทาความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนํำใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมงกบอกทางสวรรค์ให้นั่นๆหน้าที่ของพระนั่นนั่นกับโยมบอกบ่งสัพเพแล้วอันนี้เราพูดอย่างนั้นที่นี้คําสอนของพุทธศาสนาสัทธาเทวมนุษยานางเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนทั้งเทวดาด้วยทั้งอินทั้งพรหมด้วย ไม่ว่าแต่มนุษย์หละ่ะนั่นนั่นนั่นพระพระไม่สอนฆราวาสจะไปสอนผีตัวไหนสอนตนด้วยสอนสมเณนด้วยสอนพิชูสมามเณรด้วยคําสอนเจ้าวัดระบาทสอนโลกทั้งนั้นไม่ได้สอนอันใดอันหนึ่งเลยสัตว์เทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดานะมนุษย์ทั้งหลายเราพูดอย่างนี้เอ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาในโลกนี้มากกว่าแผ่นดิน มากกว่ามากกว่าเมธิเมตตานในท่อมหาสมุดสี่มหาสมุดพระพุทธเจ้าแต่กลับก็อสงไขยอสงไขกลับไปแล้วที่ร่วงไฟที่จะมาในข้างหน้าของมันกันอเ น, นกะสะตะโกทโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรดก็มีในตัติอาตาติยะสูตรถ้าอย่างนั้นสูตรอันนี้เอาไปเผาไฟทิง้งซะหมีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้านนจะไปหาเสียงที่ไหนลูกเอ๋ยออื หมดปัามนกันทนี่สิ่งนี้ดีก็ยืนยันว่าดีมันจึงถูกสิ่งนชั่วก็ยืนยันว่าชั่วมันจึงถูก ใครเป็นผู้มั่นยัดิดีชั่วถูกก็พระสมานพุทธเจ้าออเท่านั้นเหลือนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยเช่นชราอย่างนี้กินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นไรหรอกมันพูดอย่างนี้เห <c oughs> มือนก็เสียทรัพย์เป็นระยะก่อการทะเลาะวิวาทเป็นระยะเกิดโรคเป็นระยะต้องตีเตียนเป็นระยะไม่รู้จักอายเป็นระยะ ทอนกาลังเป็นระยะใช่ไหมครับนี่ย น, นี่นนนก็ช่วยพระธรรมจ้าไม่ได้เข้าข้างพระมาธรรมจักรดีกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีความประสงค์อย่างไงจึงสร้างบารมีเป็นชาติกษัตริย์ทั้งนั้นจึงสร้างบารมีมาเพื่อรื้อสัตว์ออกจากวัฏสงสารมีความประสงค์อะไรบ้างมีความประสงค์อยู่สามอย่าง พุทธฐจริยาเพื่อสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้ายาตตฐจริยาเพื่อสงเคระาะห์ญาโลตตะจริยาเพื่อสงเคราะห์โรคทุกๆุกกพระองค์เลยเมื่อเป็นพระสมาาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงถึงแม้จะเอาไปได้ยุกและเท่าขนโคเขาโคลก็ตามก็ยังดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่ ในวัดท้าวสองสารยุ่งเยิงกันอยู่เท่าเขาโคแต่ก็หลายล้านหลายโกรธนแต่ที่ยังเหลืออยู่ขนโค้นเขอมอบไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าอยู่ในตูวัวใช่ไหม <laughs> นัน่นนัน่นนัน่นถ้าพระจาม า, าพระพุทธเจ้าไม่มาจอกขนทางเข้าสู่พระเนพาลเนี่ยรัฐที่อื่นศาสนาอื่น จอกพระนรพานไม่ทะลุพระสมาสัพุทธเจ้าเท่านั้นจอกพระนรพานให้ทะลุะถ้าไม่สมาสัมพุทธเจ้าไม่จอกพระนรพานซัดท้งหลายก็ไปถึงพ ม, มาโาแล้วก็วนเวียนกันลงมาะเป็นมนุษย์บ้างสัดริตฉานนะวนเวียนกันอยู่ไม่มีทางออกจากโลกเลยเอก็วนเวียนกันเวียนฉนองเวียนไัยฉนองไัยอยู่นี่ก็ไมายัดเยียดกันอยู่นี่เราไปไม่ไหวะ่ะอันนี้จอกพระนรพานออกจากโลก มีช่องออกคือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือนอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยเราพูดเลยพูดตามสิ่งที่เป็นจริงก็ยิ่งพูดก็ยิ่งจริงไม่พูดอีกก็จริงอีกคาว่าไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่อู้อีกก็จริงอีกมันมันลึกไหมนัยน ไม่รู้ก็อีกก็จริงอีกไม่พูดอีกก็จริงอีกมันจริงอยู่ก่อนเราพูดแล้วใช่ไหมอมืถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นตถาคตทั้งหลายจึงเคารพธรรมไม่สำคัญตัวอยู่เนือธรรมเลยสัตรธรรมมิสัตถโมครุกาตบุควรเคารพพระจัธรรม พระสมาจาพุทธเจ้าไม่สำคัญตัวอยู่เหนือธรรมเลยอันนี้พวกเราเรามันอยู่เหนือธรรมเสียแล้วใช่ไหม <c oughs> เล่นอาวายามุกก็งอยหัวพระสมานเจ้าอยู่ใช่ไหมอมแล้วก็ขึ้นนั่งคอแล้วขึ้นนั่งคอแล้วก็ ประากระขาดมามารองเหืพเหเอพระพุทธเจ้าหนึ่งที่คู่ที่คู่ที่คู่เลขออกตัวไหนเลขออกตัวไหนเฉกหัวพระพุทธเจ้าพ่อถูกไหมแต่ยังไม่รู้ตัวอีกเสียเลยถูกไ้ยผู้เล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์เล่นน้เมอือสินห้าไม่เคารพนับไหว พระธรรมพระพุทธเจ้าก็ถ้ากลับว่านอนหลับคัดค้านพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งฝันไปคัดค้านีรด้ยวยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไ, ชไชอ้กูไม่เชื่อมึงไอ้ชิตตถทะค้ายๆคีดว่ า, ยวายอย่างนั้นแนหะถูกไหมนั่นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็พระบาลามีอย่างอ่อนกมมุนาวัตติโรโกทัดโลกเป็นไปตามกรรม ผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาะไม่ใช่คนงงโง่ในคุณพ่อคุณแม่เอ๋อยอีพ่ออีแม่เอ๋อยผู้สร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วผู้สนเข็มได้ไม่ใช่คนตาบอดคนตาดีพอสนได้เหมือนถึงจะสนคนตาบอดจะไม่อวดดีสนเข็มมันก็สนไม่ได้ใช่ไหมนั่นนพระบรมศาสตราไม่ใช่เทศทุกคนทุกแห่งเนะ้อพระบรมศาสตรา บาปมีไหมบุญมีไหมแมกผลน่พานมีไหมถ้าก็เลยนิ่งบางบางข่าวกมนิ่งทำไมจึงนิ่งจนมุมดอกหรือมันทัดไปจนมุมเพราะกรรมของเขายังหนักอยู่แต่ไม่ดังเกียบกรรมยังหนักอยู่กระผมหรือที่ฉันตาบอดแล้วขอพระองค์จง ทรงพักคารนาบอกว่าชาสนอสนเขมให้ท่านก็ไม่บอกมันก็เสียเวลาทั้งผู้บอกเสียเวลาทั้งผู้สนใช่ไหมยนึ่นึ่ปล่อยไว้นั่ น, อ น, นเอาไว้ฝากไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์ละ <c oughs> เดี๋ยวบารามีมันแข็งแกร่งมามันจะเชื่อบาปเชื่อบุญหรอกผู้ไม่เชื่อบาปเชื่อบุญจะถึงพระสวดาบันได้ยังไงไีพ่อไอแม่เอ๋ย ผัสสะดามันผสสตาปะนะัะแปลว่ามีปัญญาพอที่จะเป็นผัสสะดาบันจึงเป็นได้เช่นเขาเอาคนมาเป็นทหารแบกบปืยมาได้อย่างนี้เขาก็ไม่เอาใช่ไหมไม่ใช่เขาลำเอียงใช่ไหมคนเป็นป ร, ริญญาเหมือนกันกําลังเรียนกอธรอาคาขอทรอาขาอยู่เขาก็ไม่เอาใช่ไหมเขาลำเอียงไหมเขาทำไม่ลำเอียงเพราะมันไม่สามารถพอจะเป็นป ร, ริญญาได้ใช่ไหม ปาลบให้คนเชื่อกรรมและผลของกรรมถ้าเชื่อพระพุทธศาสนาแล้วบุญที่ยังไม่เกิดความดีที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรให้มีในสัญญาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้น ศรัทธาประกอบด้วยปัญญาจึงจะมีกำลังวิทยเย่ทุกขมัตเจติคนร่วงทุกได้พระความเพียรเพียรละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางหลายไม่ใช่เพียรเล่นเลขเล่นผาเล่นบัดเล่นเบอร์เออเพียรเล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์ก็คือเพียรเอาไฟเผาทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกด้วย ซับภายในก็คือปัญญาข้อเขาวไปในตัวซับภายนอกวัตถุ้สิ่งของข้อเเผวไปในตูวไฟไม่เลขไม่ผาไม่บัตรไม่เบออ์มันไม่บ้านไฟไม่บ้านไม่เมืองมันก็ไม่ไหม้ที่ดินด้วยเอไฟไม่เลขไม่ผ้าไม่บัดไม่เบอมันก็ไม่ที่ดินด้วยเอหวยรัฐบาลมันก็ไหม้เหมือนกัน ถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะไม่หาเงินเข้าพระคลังด้วยอาบายมุกเราจะห้ามขาดเลยสอนลูกให้เป็นโจรลูกคือประชาชนพ่อแม่คือรัฐบาลถ้าพ่อแม่จนก็มาป้นลูกถ้าลูกจนก็ไปป้นพ่อแม่นั่นมัลรยาทจริงๆใช่ไหม ชาวมนุษย์เป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้บริสุดสม์วรว่าทุกวันนี้แต่ก่อนลูก ป, ปู่เกิดมานอนเสื่อขาดร้ผืนในยุคลวงปู่เกิด รัชการที่หกแต่ไม่ดูถูกรัชการดูถูกชาวโลกต่างหากนั่นท่านกาเหลือวิสัยเหมือนกันยอมประเทศไหม ย, ยอมประเทศไหม ย, ยอมไหมจะไม่ถือสาหลวงปู่หรือจะไม่ถือว่า พระรุษะวาจาเพื่อคำยาสัมผับปราปะ พ, พูดเพื่อเจอจะไม่กล่าวตูลงปู่อย่างนั่นหรือเอ้าใครสอนเก่งพระบรมศ า, าสดาสอนเก่งมากนุ่งโฮมก็สอนปริวันนารังในวาเสตซาเมจิติฆากรณีย เราจะนุ่งให้เรียบร้อยเราจะห่มให้เรียบร้อยนุ่งให้เรียบร้อยคือนุ่งยังไงข้างบนเนือเ้อะสื้อข้างล่างเพียงครึ่งแท่แต่พวกเราเพียงไหนทุกวันนี้บางทีพวกเราก็ห่มเอาแตกอีพ่ออีแม่ใช่ไหมอีพ่ออีแม่คืออะไรคือทวารหนักทวารเบ า, า, เบาใช่ไหมนั่นก็ให้คะแนนกันว่า นางงามชายงามผู้ให้คะแนนก็บ้าผู้ทําอย่างนั้นก็บ้าใช่ไหมถ้าจะทําอย่างนั้นไปทําอยู่ประเทศอื่นอย่างดีอย่ามาทําในศาสนาพุทธใช่ไหมดูถูกตนเองใช่ไห ม, มแล้วก็ให้คะแนนกันด้วยสิ่งไหนที่ส่งเสริมต่อเติมราคะให้จัดขึ้น จริงนั้นไม่ใช่คําสอนของเราเลยพระพรทมศสราจริงไหนที่ส่งเสริมต่อเติมโทรสั่ให้จัดขึ้นจริงนั้นก็ไม่ใช่คําสอนของเราพระพรทมศสราจริงไหนที่ส่งเสริมโมหะให้จัดขึ้นให้หลงไม่รู้จริงว่ามัมีบาปมีไม่มีบุญจิงนั้นก็ไม่คําใช่คําสอนของเราตถาคตที่นี่ท่านกระดุกพระสุธินเหมือนกัน พระสิทธินไปล่วงละเมิดภรรยาเก่าของตนมันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักปราบมันถูกดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักปราบ<ม>ท่านพูดคำหยาบไหมค ร, รับเธอหย่อนองค์ชาติลงในทวารเบาของมาทุก ข, ขามเธอหย่อนองค์ชาติ ลงในล้มถ่านเพลือหรือในปากงูเห่ามันยังดีกว่าโมข้าบุทธโมข้าบุุษมันดีสำหรับเธอมันไม่ดีสำหรับนักปราทาคำสอนของเราสอนเพื่อให้บันเทาราคะโทสะโมหะเธอกลับเอาไปบวชเข้ามันดีสำหรับเธอมันไม่ดีสำหรับนักปราโมข้าพุทธโมข้าพุทธทำไมพระบรมมศาตนา ไม่หายโกรธดอกหรือทำไมจึงไปว่าอย่างนั้น mm. ก็มันล่วงไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ mm. ก็เพราะเป็นปฐมเลิก mm. ว่าเพื่อให้ผู้อยู่ข้างหลังมีคติส่วนคนนั่นมันเสียไปแล้ว mm. มีปัญหาสอดเข้ามาว่า mm. พวกเราใช้คำว่ากินซะมันจึงฟังง่าย พากเรากินกล้วยเราโกดให้มันไหมไอ้เปลือกของมันทำไมปลอกทิ้งทำไมไม่กินขนุนทำไมไม่กินทั้งเปลือกโกดให้มันไหมฉันในก็ดีเพราะมันไม่ไม่มีประโยชน์ท่านเ็าออกทิ้งอันนั้นให้รู้จักให้รู้ตัวกับถูกไหมนไม่ได้โกดให้เขาดอกแต่ว่าให้เขารู้ตัวให้ผู้ที่ฟังจำไว้ะ พ่อดีแม่ดีตอนไหนทาดีก็ส่งเสริมตอนไหนทาชั่วก็กีดกันมิดดีสหายดีปู่ดีตาดีย่าดียายดีครูดีอาจารย์ดีมิดดีสหายดีตอนไหนไม่ดีก็กีดกันตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็กีดกันตอนไหนดีก็ส่งเสริมไม่ใช่ว่า จะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าว่าสารและสื่อนับหลังตั้งเนินทางเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้นั่นโชกไหมพระพุทธศาสนาสอนหมดเนี่ยไม่อันไหนไม่สอนเลยมีเลยยินดีในพุทธศาสนาชนะความยินดีทั้งปวงในโลกสนใจในทางพุทธศาสนาชนะความสนใจทั้งปวงในโลก เลื่อมใสว่าพุทธศาสนาชนะความเลื่อมใสทางพวงในโลกจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วพระพรมศาสีริกจงเป็นผู้เพิดเพลในทางทำดีจงเป็นผู้เพิดเพลในทางทำชั่วเลยจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลย ความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายตรงงันข้ามมูดพูดมแมลงมันกินง่ายมาแมลงพึ่งมันไม่ฝันเลย <S <S แต่มแมลงวันมันก็ไม่ฝันหาแกสอนดอกไม้เหมือนกันใช่ไหมนะมันก็บอกว่าประชาธวปไตยของมันใช่ไหมมันก็บอกว่า มูมากลากไปเหมือนกันใช่ไหมก็มูมากลากไปกินขี้ใช่ไหม <c oughs> มูมากถ้าลากไปดีมันก็ดีถ้าลากไปไม่ดีก็ลากไปตกเหวใช่ไหมนั่นอ่านะคะมแมลงพึ่แงแมลงพึ่งมันก็บอกว่ามูมากลากไปเขาขอมันมูมากลากไปขอมันก็มาแรงวันอันไหนมันดีนั่นนั่นเ น, น จงพยายามถอนตนออกจากลมเหมือนคุณชรถอนตนออกจากลมเถินพระบรมศาสด า, ศาทมชั้นสูงยังมีอีกอโขนเนี่ยทมชั้นต่ำเนี่ยทำสอนให้สอนให้พิจณาเบืองต้นเดินทางเมืองต้นกวาศรากาขอสราขาอะเนี่ยทมชั้นมัทธยมยังมีอีก เห็นอนิจจังคณะกิจหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วคำพูดแต่ละอย่างละอย่างก็ล่วงไปล่วงไปนั่นคืออะไรนั่นคืออนิจจังนึกขึ้นแน่ไปล่วงไปนั่นคืออนิจจังอนิจจังอยู่ที่ใดทุกขังก็อยู่ที่นั่นอ น, นัตตก็อยู่ที่นั้นไม่ได้อยู่คนละ ม, มุมโลกเมื่อเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นจหูกเหมือนกันเมื่อเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังเห็นอนัตตาสัมพยกันอยู่นี่ทำท่านคราง ทำชั่นท่ายี่นี่พิกชูทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักต า, ากมของจมูกเล่นกายใจเถิดพริกชูทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักรูกเสียงกลิ่นรสผลกระเพาะธรรมารมเถิดตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนจงรู้ตามเป็นจริง ซัลูกเสียงกลินรถผดตะพระธรรมารงไม่ใช่ตัวตนเธอทั้งหลายจงรู้ตามเปนจริงซะเมื่อรู้ตามเปนจริงแล้วเธอทั้งหลายจะข้ามทะเลหลงไปเธอทั้งหลายจะไม่ได้มาหลงตาว่าเป็นตาก꾸หงูกูจมูกกูเลี่ยนกูกายกูแต่ใจกูเธอทั้งหลายจะหลงคั้นห้าขั้นห้า ย, ย่นลงมาเป็นสองเหมือนกัน รูปยอดนาเป็นรูปประธรรมรูปประธาต์รูปประขังก็ว่ารูปธรรมเพราะว่ารูปประธาต์ก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูปเป็นทรีก็ว่าเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปอรูปประโลกคืออะไรคือเวทนาสัญญาสังขานวิญญาเกิดขึ้นแล้วกาแฟดับไปไม่ตั้งอยู่ได้เธอทั้งหลายจงรู้ธรรมเป็นจริงปฏิบัติธรรมเป็นจริงเถิดทำแสลบวัตรบาตรส่งต่อพระ涅槃หมด มันขึ้นอยู่กับบรารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้นที่พระองค์พูดมากๆก็เพราะผู้บรารมีอ่อนอยู่ถ้าผู้บรารมีแก่กล้ามาแล้วพระพุทธ้าองค์ก็พูดเพลงเดียวเลยนั่นนั 8, ่นแปดหมืนชีพระธรรมะขันธ์ก็เทศคนนั้นบ้างเทศคนนี้บ้างเทศคนนั้นบ้างเทศคนนี้นบ้า ง, นนา ง, นนางแล้วเอามารวมไว้ก็แปดหมื่นชีพระธรรมขันธ์ไอ้แท้ๆก็วังเพื่อให้เพ้นทุกข์ในวัตฐฐาฏสงศารมีเจตนาอันเดียวเท่านั้น ทำไมเสีาายงว่าเป็นศัพท์วรู cool ้ er, เป็นศัพท์ว่เห็นเธออย่าไปยึดทุรู้ผู้เห็นว่าแบบเป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเออคล้ายๆเขาว่า่าเป็นศัพท์ว่ารู้เห็นครับพอแล้วคือไม่ยึดทุรู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเมื่อยึดใจว่าเป็นตนๆนเป็นใจเมื่อยึดถือว่าผู้รู้ในใจเป็นตนตนเป็นผู้รู้ในใจอั ต, ตวาทุปาทานก็แตกกระเจอ ความเห็นว่าตนตัวเราเขาสัดบุคคลไม่มีมันก็ชนะความหลงข้ามทะเลหลงของตนไปแล้วเพราะปัญญาสติปัญญาแก่กล้าก็ชนะความหลงของไปเอ่อของตนไปเพราะแสงสว่างพอแล้วด้วยปัญญามืดคือโมหะมันก็หายไปแล้วทีนั้นเองมันก็แตกแขนเอาไว้ที่ทำให้ตาสิศีลยอดของศีลยอดของสมาธิ ยอดของปัญญาอธิศินสิกขาสิกขาคือสินยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งก็รวมพลกันอยู่เป้าอันเดียวกันนไม่ใช่สีนก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่ปัญญาก็อยู่นี่อยู่คนละมุมโลกมใช่วยสีนตัดสีนลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ลงในที่ใจในที่ผู้รู้นันแหะอ้าว ปัจจุบันพระสวสดา a ันปัจจุบันสักการคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์จะเอามาที่อบกันไม่ได้อปัจจุบันพระปัจเจกปัจจุบันโคสมาสุภสเจ้าเป็นชั้นที่หนึ่งพระปัจเจกเป็นชั้นที่สองสาวกขาวิกาเป็นชั้นที่สามสาวกเป็นชั้นที่สาวกอรหันต์เป็นชั้นที่สามสาวิกาอรหันต์เป็นชั้นที่สี่นั่ง ทำต่ละเวระบาดตรงต่อพระเนรพลหมดนโมพระสวดาวันนโมเปริวนอบน้อมพระชวดารันนอบน้อมจนไม่ถือศาสนาอื่นนอบน้อมจนไม่ถืออยู่ยงคงกระพันนอบน้อมจนไม่ใช่ได้อยากพึ่งละเมิดศีลห้านอบน้อมไม่ใช่ไดยอยากพึ่งอบายมุกนอบน้อมไม่ใช่ไดยอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ไดยอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่ใช่ไดยอยากจะคบเมตรชั่วแต่ว่าให้กระเทือนเขา ไม่เชื่อยจยาจะค้าขายเครื่องฟ้หาค้าขายมนุษย์ค้าขายสรเปินทร์เรื่องศัพท์ที่ตัวข้าวไปเป็นอาหมาค้าขายนำ้ำมอค้าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้พระสวัสดิบาลก็ไม่เชืด่ดายต้องละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เชื่อใจสิ่งนั่นก็ไม่หนักใจเช่นเราไม่เชื่อใจลงลุยหลุมด่านพเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจแล้วไม่เชื่อใจเอาบวชนำลายมา ว่านำรายทิ้งแล้วไม่ใสียด้เอามากินอีกทําหนักใจไหมก็ไม่หนักใจทําไมจะไม่หนักใจพระพิจารณาแยกขายด้วยอะไรดวงตาเห็นธรรมเนี่ยว่ามันมีแต่โทษรุ่นรุวนจึงไม่หนักใจเสียดายเห็นอย่างนั้นล่ะเรียกวาได้ดวงตาเห็นธรรมและก็เห็นอันนี้จังชัดด้วยภูมิพัทสุตาวันภูมิพัทสุตดาวันก็บานหน้าไปสู่พระนรฟ้า นอกจากนั่นก็ตามกอนนั่นลงมาก็เป็นน้าไหลวนเป็นคนหลายใจอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยต่อเมื่อหมดกรรมอันนั้นแล้วจึงจะค่อยโผล่ออกมาเป็นพระสรวันแต่ก็มีบางมันหลายบางทีพระสรวันมีบางทีมีบางทีเดียวคือมีหน้าที่เก็บตัสรูุเป็นพระอรหันต โดยเร็วเพราะมีคิวแล้วพวกนั้นยังไม่มีคิวคิวยังหยาบยังไกลอยู่มีอยู่แต่ว่ายังไกลคิวนะทรัพแต่ละตัวละตัวก็มีคิวอยู่เหมือนกันนกหนูปูผีกก็มีคิวแมลงเม่าก็มีคิวมีคิวที่จะเข้าสู่พระเจ้าแนดินแต่ไม่รู้ว่ากี่ล้านกี่เสนกี่โกรดกับโกรดกันละแต่รัพแต่ละ ต, ละตัวละตัวจะเข้าสู่พระเนรพลทางนั้นแต่ยังไม่มีคิวละเอียบเหมือนพระโสดาวัน พระสวัสดิบามีคิวละเอียดแล้วพระอรหันต์เรียนน้โมจบอ๋อน้โมตัวเดียวน้โมแปลว่านอน้อมนอน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอน้อมพระธรรมะนอน้อมพระธรมาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นอบนอบจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกนอมนอจนไม่มีโรคไม่โกรธไม่หลงนั่นเรียกว่าเรียนน้โมจบใช่ไหมแ่นโม พวกต่ำกว่าพระโสดามันลงมาก็นโมเลขนโมผ้านโมบัตนโมเบอระเอานโมไปเล่นเล่นเลขด้วยมันบาปเกิงๆถูกไ้มนั่นั่นนั่นบางท่านไปนอนฝันหาเลขอยู่แล้วสำคัญตัวเป็นพระโสดามันนั่นแหะพระโสดันโสดาโสดาบคดีใช่ไหมดันทุลังเอาเตะ ความความเห็นของตนคาดคะเนเอาแต่ความเห็นของตนไม่มีหลัก น, นจะบวดร่ำพันษาก็ตามจะถือศีลจิงเจทำท่าทำทางสงบเฉง่ยมบสักเพียงไหนก็ตามถ้าเชื้อได้ร่วงแล้วเมื่อศีลห้าถ้าเชื้อได้อยากจะฆ่าสัตว์อยู่ยุงมากัดอย่างนี้ถ้ากูถ้ากูไม่รักษาศีลกูจะเอามึงมันไม่ใช่พระโสดาวันนั่น ถูกไหม อ, อันนี้ไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดมันจึงถูกยัด ท, ทําท่าทําทางถ้าเพียงไหนก็นตามหรือพระเขาเหมือนกันยัด ท, ทําท่าทําทางเพียงแค่ไหนก็นตามไปบินทาบายก็หลับตาใช่ไหมทำท่าสํารวมใช่ไหมแต่พอผ่านเข้าไปแล้วก็ นี่เรีย ก, น, ยก น, นั่เนเลยนี่เขียนให้เขาไี่กบ้าจริงจริง่งนันรวงโลกใช่มอย่านั้นมนุษย์สมบัติพระบรมศาสนาบอกแล้ววัตถุนิยมอุดมคติพระสวัสดิวันเป็นอุดมคติมันก็ดึงวัตถุนิยมไปด้วย คือ ท, ทรัพย์สมบัติของพอระชวาันเป็นครับทรัพย์ที่บริสุทธิ์ไม่ได้โกงเข้ามาใช่ไหมก็เียกก่าดึงวัตถุนิยมไปด้วยนับนน น, นถ้ามีวัตถุถ้ามีอุดมคติแนละ้วมันก็ดึงวัตถุนิยมไปด้วยเอา้าเขยมทิต จะไม่กี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอน ใ, นใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อไม่พูดอีกก็จริงอีกและก็เหนือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยด้วยเทียบในทางลึก เพื่อให้นึกหลายๆทางนั่งให้น้องครองเมืองบางต่างๆไล่ลงสู่มหาสมุรทรทะเลโดยไม่รู้ตัวจําไดคําสอน ใ, นใดก็ไล่ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเมื่อขึ้นอยู่ก็พูดรู้และไม่รู้เมื่อขึ้นอยู่ก็พูดเชื่อและไม่เชื่อ เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเนี่ยล้วเลยนึกเข็นว่าน้ําไหลลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหรือไม่บางทีเราก็ไม่เลยนึกเข็นใช่ไหมมันก็ไหลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใช่ไหมเชื้มคิดก็เหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือเราลืมไปมันก็ชี้อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นความยืนยันในความจริงมันไม่เป็นอุปาทาน ถ้าความจริงไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ความจริงได้พระบรมศาลาเหตุฉะนั้นเราจึงเคารบความจริงเรียกว่าอริยสัจธรรมเขาห้ามไม่ให้พูดว่าอ้าพ้นยาเจาะก่อนเนี่ยนี่ยยาาฮะชั่วโมงใช่ไหมเอนั่นต้องหยุดนะต้องเอวังนะนี่ แต่ว่าความแก่เก็บตายไม่ได้เอวังเนอะเดี๋ยวย้เนี่ยก่อนอืะมุ่งจะตีบมัวจะตีบส่งเลือดไม่ทันส่งน้ำดีเป็นนิ่วน้วยเดชพระพุทธศาสนา ทรงว่าคุณข้ามามีประมาณแล้วก็ทรงมาอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและบนเหนือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาทุกขณะด้วยว่าเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มานำนมาในที่นี้ก็ดีจงประสบจากความถุกความเจริญในพระรรมหาพุทธศาสนาของพตมะสมุติเจ้ายิ่งย่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนทุกท่อนหน้าท่อนทางใจโรกาอยู่ทุกเมื่อถือส สวัสดีมีชัยความทุกข์เขียนใจอย่าได้มีเลยไภาวนาไปเนอะไม่จำเป็นอย่าไปแสงรถเขาเนอะ รถสิบล้อไม่จําเป็นจะไปแทงเนื้อมันวิ่งมันสายไปสายมามันเมายามากก็ไม่ทราบทุกของเครื่อยหัดไม่สิยาโชคเกิดแต่ควา ม, มทรัพโชคเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคโชคเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นสินโชคเกิดแต่ทํางานเที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ได้อํานาจอนันจังเป็นทุกข์อีก ก็ไม่แน่นอนดีมีราบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งโลกธรรมแปดธรรมที่ครอบงาสัตว์โลกอยู่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนั่นแปดอย่างคือมีราบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่ง เรากระทำแต่ประการนี้เกิดขึ้นแล้วควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามที่เป็นจริงอย่าให้มันครอบงาจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปารถนาอย่ายินได้ในส่วนที่ไม่ปราจถนาพระพุทธเจ้าสอนบ่ า, าให้ไหอีกยังเลย มีหลับกับวิ่งเตือนหลาบมีหยดกับวิ่งตือนยดถือนิ่งท่ากับวห่งวันไหวมีสุขมาลเล็กแตน้อ ย, อยกับวให้ติดอยู่มีสุขไม่มีซุกเชื่อมสุกไม่ทุกเชื่อมทุกมีสรเสริญกับมีนินท่ามามีสะะรรเสริญเท่านักับมีนินท่าเท่านั้นพวกที่นินท่าพวกองค์เจ้ากับมีอยู่พวกคนผ่านพวกบันทิต้องคอยสรเสริญ ถัาคนพลาดไม่จะมากแข็งดีเขาพระพุทธเจา้าไม่เท่าเราไม่เท่าเราเพราะว่าจนถากเรียบตายก็มิมในโลกอันนี้ในโลกอันนี้เป็นอยู่ยังส่รุกทีตีติแปลผู้ย่อ ย, ยับไปพระพุทธเจา้าไม่คแนนเลย เหตุนั่นจึงว่างคําสอนไวในโลกพ่อให้บรรเทาไปพระเนปาลพระพุทธเจ้าท่านจอกจอกโลกออกไขปองโลกออกไปสู้พระเนพานรัตที่อื่นในจะสุมาเวามึงแล้วท่านนละดีที่คนบ อ, ก, ก, บ อ, ก, บอ ก, กบอกถักบอกถามพระพุทธเจ้าเป็นนั่งจะมบอถางบอกถางก็ของกรรมครับข้าขขเจ้าอยู่จังสัน ผู้พม่าข้ามสอนพระพุทธเจ้าคนว่าพ่อใจก็ถือว่าเป็นควอมดาผู้พ่อใจก็ถือเป็นค้อมมงคลท่านทั้งหลายขาซัดรักทรัพย์พระพุทธพิดทักษามเกิดชาตินามะเขาก็มาขาซัดรักทรัพย์เขาก็มาขาเจ้าพี่น้องเจ้าพี่น้องกันชีวิตสัจนเขาก็มารักทรัพย์มาพระพุทิพิทักามเื่นกันเขาก็มาพูดปดเจ้าพี่น้องเช่นกัน จากพี่น้องดื่มชูราตายไปกับต๊กมลโรออกจากมลโรคแล้วก็เป็นเพลออกจากเพศแล้วก็เป็นข้นบาวใบเชียจะรุดเพลิดมนุษย์เพลินก็นว่าตามเป็นจริงเพราะเป็นเพลิดสาบแซงผู้ใดไม่บอกสันก็เป็นจริงอย่างสันอีริมวลเอกมลเอกต้องพระพุทธเจ้าให้สบายเก่งฝันมลแคห้าเนี่ตัวเอาเงินกันได้เชือกเขียวบา่าบ่เขียวบา่า กเนี่ยเจ้าไปเจ้าสิตายเจ้าสั่นนั่นสิอาจามาพูดใายตายรเรเห็นหมดว่าถือกับมี่ว่าถือกับนี่คำช้อนไนในรัตัตโรกชาติมันติดเนือคำช้อนพุทธเจ้าไปบ่เมีดหรอก